สองภิธรรมมาพาชนี 1. รูปาวจรขุสลชาณะตตุกกะในหกรยยีชาญสี่คือ 1. ปธมชาญชาญที่หนึ่งสองทุติยชาญชาญที่สองสามตดิยชาญชาญที่สสี่จตุตชชาญชาญที่ส 624บรรดาฌานสี่นั้นปฐมฌานเป็นชนภะพิกษุในธรรมินยนี้จะเริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์หคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกกัคคตาก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่าปฐมฌานาสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานทุติยฌานเป็นชะไหนพิกจุในธรรมวินัยนนี้จเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สามคือปีติ สุขและเอกกัคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุติยชฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานตติยชฌานเป็นชนะัพิกุในธรรมอินัยนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะปีติจางคายไปบรรลุตติยชฌานที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคือ สุขและเอกคตาก็าเกิดขึ้นนี้เรียกว่าตติยะฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานจะตุททะฌานเป็นไนภิจารณาธรรมอนกไ น, นี้จเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพบรรลุจตุททฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นชาญมีองค์สองคืออุเบกขาและเอกกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุทชาญสภาธระธที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยชาญชาณะจตุกไ น, น, นจบชาณะปัญจกไ น, น625พิกษุในธรรมในันนี้จเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบ สงัดจากการบรลุปัธรรมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกกัคคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัทธรรมฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌาน ภิกจุในธรรมในนี้เจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากกามและสภาวาธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายบรรลุทุติยชานที่มีปทวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นชานมีองค์สี่คือวิจาร์ปีติสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่าทุติยฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพยุด้วยฌานพิกุในธรรมในนี้เจเริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุตัติยฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สามคือปีติสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าตติยฌาน สภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานภิกษุในธรรมในนี้เจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูป ภ, ภพเพราะปีติจางคายไปบรรลุจตุตฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคือสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุตฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌาน พิจูในธรรมในนี้เจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะละสุขละทุกข์ได้บรรลุ ป, ปัญจมชฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคืออุเบกขาและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัญจมชฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมยุญด้วยฌานฌานปัญจกไน จบสองอรูปาวาจรกุศลหกร้สิกพิกจุในธรรมในนี้เจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุจตุตชาญนที่สหรคต เ, เนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นชาญมีองค์สองคือเบขาและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุทชัชฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยชาญ 3. โลกุตรกขุศลชานะจตุกกไนหกร้อยยี่สิบชาญ4คือ 1. ปฐมชาญ 2. ทุติยชาญสา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 ที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันถาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์ห้าคือวิตตวิจารปีติสุขและเอกักคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัธรรมฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานทุติยฌานเป็นชนหะน พิกจุในธรรมในนัยนี้เจเริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากปัจตทุกแห่งถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นพระวิตกวิจาร์สงบประงับไปแล้วบรลุทุติยฌานที่เป็นทุกขาปฏิปัทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองคสาคือปีติสุขและเอกคตากเกิดขึ้น นี้เรียกว่าธุติยฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธด้วยฌานตติยฌานเป็นฉนหนพิจูุในธรรมอินัย น, นี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะปิติจางคลายไปบรรลุตติยฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญา อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นชาญมีองค์สองคือสุขและเอกกัคคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าตาติยชาดสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพยุด้วยชาจดจตุิญชาญเป็นฉะไหนพิจษุในธรรมินันนี้เจริญชาญที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นบรรลุจตุตชฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคืออุเบขาและเอกขตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุตชฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌาน ชาณจัตุ ก, กไนจบชาณปัญจกไหนหันยี่สภิกษุในธรรมอินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรรลุปธรรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นชาญมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัตสมชาญสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าตัมประยุทธ์ด้วยชาญภิกษุในธรรมในนี้เจริญชาญที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้น สงังกัดจากการและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้วมาลุทุติยชาญที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นชาญมีองค์สี่คือวิจาร์ปีติสุขและเอกคัตาก็เกิดขึ้น นีเรียกว่าทุติยฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตติฌานพิกุในธรรมในนี้เจเริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรุตติยฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นฌานมีองค์สามคือปีติสุขและเอกกัคคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าตติยฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุติฌานพิกจุในธรรมในในี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตาระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุ์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรุภูมิเบื้องต้นเพราะปีติจางคลายไป บรุจตุตฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันถาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคือสุขและเอกกัคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุตฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธเดชฌานพิจุในธรรมในนยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระ ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นบรรลุปัญจมชฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคือเบิกขาและเอกคตาก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่าปัญจมชฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมยุ์ด้วยฌานฌานปัญจกไนจบ 4. รูปาวจรวิบาก630ชาญ4ฌานคือหนึ 1, ่งปฐมฌาน 2. ทุติยฌาน 3. ตติยฌาน 4. จตุตถฌาน631 บรรดาฌานสี่นั้นปฐมฌานเป็นฉไนพิกุในธรรมในนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัด จ, จากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัสธะอวิเคปาก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลพิกุสงัดจากกาม บรลุปัธรรมชาญที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นวิบาทเพราะได้ทำได้สังสมรูปปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นชาญมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกกัคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัธรรมชาญสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธิชาต ทุติยฌานเป็นไนพิกษุในธรรมในนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปรภพเพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเกเพปก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นขุศล์เพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยฌาน บรลุตติยชาญบรลุจตุตธชาญบรลุปัตธรรมชาญบรลุปัญจมชาญที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมรูปาวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นชาญมีองค์สองคืออุเบกขาและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัญจมชาญ สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธดิฌานห้าอารูปาวจรวิบากปกร้อยสามสิบสองพิกจุในธรรมวินนี้จเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุจตุตถฌานที่สหอรคตด้วยเนวสัญญานาะสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะ ละสุขละทุกได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัทสะอวิเกปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุจตุตชฌานที่สหฤคด้ไดเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกได้ซึ่งเป็นวิบา เพราะได้ทำได้สังสมอรูปาวาจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคือเบกขาและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุทชาญสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌาน 6. โลกุตระวิบาก633าญสฌานคือ 1. ปัธมชฌาน 2. ทุติยฌาน 3. ตติยฌาน 4. จตุตถฌาน 6. พ, พร้อยบรรดาฌานสี่นั้นปฐรรมฌานเป็นฉไนพิกจุในธรรมินย น, นี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุ์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องตน้นสงัดจากการ บาลุปธรรมชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสธะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภิกจุสงัดจากการบาลุปธรรมชาญที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งเป็นวิบาก เพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศนนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกขคตตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัธรรมฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานทุติยฌานเป็นฉไนพิกจูในธรรมีินนี้ เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นพระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นปัสสะอาวิเกปะก็เกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรลุทุติยชาญบรลูตัติยชาญบรลูจตุถชาญบรลุปธรมาชาญบรลุปัญจมาชาญที่เป็นสุญญตะตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพินยาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญชาญที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละ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 หนึ่งปัมาฌานสองทุติยฌานสตติยฌานสจตุตตฌาน636บรรดาฌานสี่นั้นปัทมาฌานเป็นชนัพิกจุในธรรมินัยนี้เจริญบรู ป, ปาวจรฌานที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน สงัด จ, จากามบลูปธรรมชาญที่มีปฐวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นชาญมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติสุขและเอกกัคคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปธรรมชาญสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธด้วยชาญทุติยชาญเป็นไนะ พิกษุในธรรมินยนี้เจริญบรูปาวจรฌานที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันพระวิกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานบรรลุปัธรรมฌานบรรลุปัญจมฌาน ที่เป็นปฐวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคือเบคาและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัญจมชฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมประยุทธ์ด้วยฌาน637ิกจพิกในธรรมในนี้เจริญอรูปาวัจรรชฌานที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะก้าวล่วงอากิจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุเจตุตฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุข์ละทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สอง คืออุเบกขาและเอกขตาก็เกิดขึ้นนี่เรียกว่าจตุทชฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธด้วยฌานอภิธรรมภาชนีจบ 3. ปัญหาปุจจกะ638ชาญสได้นีดแก่พิสุในธรรมวินัยนี้ 1. งสงัดจากกา ร, รและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปัฏฐมาฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เพราะวิตกวิจารสงบประงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ ามเพราะปีติจางคายไปเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายบรรลุตัตยยฌานที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสันสริรนว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะโสมนัสแะโทมนัสดับไปก่อนแล้วจึงบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ได้ มีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่ติกะมาติกาปุจฉาทุกกะมาติกาปุจฉา639้าบารรดาฌานสชฌานเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากริตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ 1. ติกะมาติกาวิสัชนา ห2ึกุศลติกาทีวิสัชนา640้ฌานสที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพพยากฤตก็มีเว้นสุขเวทนาที่เกิดในฌานนี้แล้วฌานสสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเว้นอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดในฌานนี้แล้วจะตุตฌานสัมปยุตด้วย อตุกมะสุขเวทนาชาติสี่ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีชานสที่กรมันประกอบด้วยจันหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่การมันประกอบด้วยจันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีฌานสที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทาให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีเว้นวิตกและวิจารที่เกิดในฌานนี้แล้วปัรรมชฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ฌานสามไม่มีทั้งวิตกและวิจาร เว้นปีติที่เกิดในชานี้แล้วชานสองสหรคตด้วยปีติเว้นสุขที่เกิดในชานนี้แล้วชานสสหรคตด้วยสุขเว้นอุเบขาที่เกิดในชานี้แล้วจะตุถะชาณสหรคตด้วยอุเบขาชาน4ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเพื้องบนสาชานสไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสาชานิสที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีชานิสที่เป็นของเสขบุคคนก็มีที่เป็นของอาขบุคคนก็มีที่ไม่เป็นของเสขบุคคนและอเาขบุคคนก็มีชานิสี่ ที่เป็นมหคัตก็มีที่เป็นอัปปามะนะก็มีชานสากล่าวไม่ได้ว่ามีปริะปรรตะเป็นอารมณ์หรือมีมหคัตเป็นอารมณ์ชานสี่ที่มีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอัปปามะนะเป็นอารมณ์ก็มีจตุถชาญที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มี ที่มีมหคัตเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มีมหคัตเป็นอารมณ์หรือมีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีชาญสี่ที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประนีตก็มีชาญสี่ที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มี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 ที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิบดีก็มีฌานสี่ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีฌานสที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีฌานสกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์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 มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์หรือมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีฌานสเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกกะมาติกาวิสัชนา 1. นึ่งเทตุโคโจจตะกวิสัชนา6กรฌานสี่ไม่เป็นเหตุฌานสี่มีเหตุฌาน 4, สี่สัมพยุตได้เหตุ ฌานสกล่าวไม่ได True, ้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุฌานสี่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุฌานสกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมพยุดด้วยเหตุฌานสสัมพยุดด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุฌานสี่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ 2. จุรันตารัตทุกกวิสัชนาฌานสี่มีป ouais ัจจัยปรุงแต่งฌานสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ฌานสี่เห็นไม่ได้ฌานสี่กระทบไม่ได้ฌานสี่ไม่เป็นรูปฌานสี่ที่เป็นโลกิยาก็มีที่เป็นโลกุตระก็มีฌานสี่จิตบางดวงรู้ได้ฌานสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ 3. มอาสวะโคจะะะัตจักวิสัชนาฌานสี่ไม่เป็นอาสวะ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 ฌาน4ี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะฌานสที่วิปยุทธจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุทธจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี4ถึง9สัญญโฉนโคจัชกาทีวิสัชนาฌานสไม่เป็นสังโยช ไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาสสิมหันตระทุกกวิสัชนาฌานสี่รับรู้อารมณ์ได้ฌานสี่ไม่เป็นจิตฌานสี่เป็นเจตสิกฌานสี่สัมปยุทธ์ด้วยจิตฌานสี่พระคนกับจิตฌานสี่มีจิตเป็นสมุทฐาน ฌานสี่เกิดพร้อมกับจิตฌานสี่เป็นไปตามจิตฌานสี่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานฌานสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตฌานสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตฌานสเป็นภายในฌานสี่ไม่เป็นอุปาทายรูป ฌานสที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี11ถึง12อุปาทานโคจัชกาธิวิสัชนาฌานสไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส 13. บสามปิติทุกขกวิสัชนาฌานสไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก และมักเปื้องบนสาชานสไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาเว้นวิตกที่เกิดในชานนี้แล้วปฐมาชาลมีวิตกชานสามไม่มีวิตกเว้นวิจารณ์ที่เกิดในชานี้แล้วปฐมชาลมีวิจารชาลสามไม่มีวิจารณเว้นปีติที่เกิดในชานนี้แล้วาชานสอง ที่มีปีติชานสองไม่มีปีติเว้นปีติที่เกิดในชานนี้แล้วชานสองสหรคตด้วยปีติชานสองไม่สหรคตด้วยปีติเว้นสุขท um> ี่เกิดในชานนี้แล้วชานสสหรคตด้วยสุขจะตุทชาดไม่สหรคตด้วยสุขเว้นอุเบกขาที่เกิดในชาดนี้แล้วจะตุทชานสหรคตด้วยอุเบกขาชานสา ไม่สหรกคตด้วยอุเบกขาฌานสไม่เป็นกามาวจรฌานสี่ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีฌานสไม่เป็นอรูปาวจรจะตุถฌานที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีฌานสที่นับเนื่องในวัตถุก์ก็มี ที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกก็มีฌานสที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุก็มีฌานสี่ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีฌานสี่ที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีฌานสีไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ ปัญหาปุจจกะจบชาณวิพังจบบริบู